เมื่อแต่งงานวันที่ยี่สิบห้าเมษายนพุทธศักราช2512ิสองข้าพเจ้าแต่งงานกับสมจิตนุ่มบุญนำซึ่งตอนนั้นเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนเขมาสิริอนุสอนเชิงสะพานกรุงทนฝั่งทนบุรีแต่งที่โรงเรียนเตรียมทหารจาาตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ได้ให้เกียรติไปสวมมงคลพลเอกปิยะสุวรรณพิมพ์เป็นผู้ถอดมงคล เชิญแขกแต่พอสมควรเลี้ยงที่สโมสรโรงเรียนเตรียมทหารปลายปี2512ข้าพเจ้าตัดสินใจลาออกและขอลาออกตั้งแต่วันที่ส1อธันวาคม2512เมื่อส่งใบลาออกแล้วได้เข้าไปคุยกับผู้บัญชาการท่านพูดกับข้าพเจ้าหลายอย่างมีบางประโยคที่จับใจไม่รู้ลืมระลึกถึงอยู่เสมอ และเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีงามไม่ให้ท่านผู้ใหญ่เสียความตั้งใจลืมเล่าไปอย่างหนึ่งว่าเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานแล้วได้ย้ายจากหอพักธรรมดีวาดไปอยู่ที่อาคารสงเคราะห์กองทับบกซึ่งอยู่ที่ถนนประชาธิปไตยตรงกันข้ามกับหอพักธมรมดีวาดนั่นเองขอย้อนกลับมาที่หอพักธมรมดีวาดอีกนิดหนึ่ง คือเมื่อตอนทํางานอยู่ที่โรงเรียนเตรียมทหารนั้นข้าพเจ้ายังพักอยู่ที่หอธรรมนิวาสมีรถเล็กๆคันหนึ่งขับไปทํางานจอดที่ซอกตึกระหว่างหอธรรมนิวาสกับสถาบันโรคผิวหนังตรงการข้ามกับหอธรรมนิวาสเป็นตําหนักสมเด็จพระสังฆราชหลังตําหนักสมเด็จพระสังฆราชเป็นสํานักงานดิษยาสถานสุภพมิตรใกล้สํานักงานดิษยาศานสุภพมิตร มีพ้อมยามตำรวจอยู่อารักขาสมเด็จพระสังฆราชคืนหนึ่งประมาณตีสามีมขโมยมาขโมยรถของข้าพเจ้ากำลังเข็นออกไปตำรวจชื่อเบนจาเล่าให้ฟังว่าเขากำลังหลับได้ยินเสียงเหมือนมีคนปลุกว่าเบนจาเบนจาลุกขึ้นมีคนมาขโมยรถเขาลุกขึ้นมาดูก็เห็นขโมยกำลังเข็นรถอยู่แต่ไม่เห็นใครอื่นจึงจับไว้ได้คนหนึ่ง อีกคนหนึ่งจะจับได้ต่อมาหรือไม่จำไม่ได้สมเด็จพระสังฆราชก็สเสด็จลงมาดูด้วยตำรวจส่งเรื่องฟ้องศาลข้าพระเจ้าในฐานะเป็นเจ้าของรถจรึงต้องไปให้การที่ศาลด้วยเป็นครั้งแรกที่ขึ้นศาลและไม่เคยขึ้นอีกเลยปรากฏว่าขโมยซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งติดคุกเมื่อไปศาล ข้าพเจ้ายังเห็นเขาถูกล่ามโซ่มาให้การต่อหน้าผู้พิพากษาก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องนี้ไม่ทราบกี่วันหรือกี่เดือนข้าพเจ้าฝันไปว่าตอนเช้าลงมาเปิดกระโปรงรถเพื่อจะดูหม้อน้ําดูน้ํากลั่นเป็นต้นมองไปที่เครื่องปรากฏว่าเครื่องรถเป็นพระพุทธรูปทั้งองค์พระพักหันไปทางหน้ารถเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิสวยงามมาก แถมยังตัดได้ใช่อีกท่านตรัสว่าใช่ไปเถอะรถคันนี้ไม่เป็นไรหรอกไม่กี่วันต่อมาข้าพเจ้าขับรถไปทางสะพานควายมีเด็กคนหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถอย่างกระทันหันเด็กอายุประมาณสิบห้าข้าพเจ้ามองไปที่หน้ารถไม่เห็นเด็กเข้าใจว่าเด็กคงเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถเสียแล้วเรีบเปิดประตูรถออกไปดู เด็กลุกขึ้นจากตรงไหนไม่ทราบปัดฝุ่นแล้ววิ่งไปมีผู้คนจับตาดูกันมากตำรวจเข้ามาถึงข้าพเจ้าได้ให้นามบัตรตำรวจไว้บอกว่าถ้าเด็กเป็นอะไรให้ตามข้าพเจ้าตามนามบัตรนี้วันเวลาล่วงไปปรากฏว่าเงียบหายไปเลยแต่ในที่สุดข้าพเจ้าก็จำเป็นต้องขายรถคันนี้ตอนที่ข้าพเจ้าไปศึกษาที่อินเดียเป็นเวลาสองปี เพราะแม่บ้านยังขับรถไม่ได้เมื่อไปศึกษาต่อที่อินเดียโชคดีที่ตอนนั้นเมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่อาคารสงเคราะห์อกองทัพ บ, บกชั้นสองผลงานการเขียนหนังสือของข้าพเจ้าได้แพร่หลายไปมากแล้วมีรายได้พอเลี้ยงตัวได้ประกอบกับรายได้จากการสอนพิเศษก็ยังพอมีอยู่ข้าพเจ้าคิดว่าไหนๆก็ลาออกมาแล้ว ควรจะไปเรียนต่อจึงตัดสินใจว่าจะไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียระหว่างนั้นนอกจากเขียนหนังสือสอนพิเศษแล้วก็เตรียมตัวเพื่อไปอินเดียข้าพเจ้าแต่งงานเมื่อ25เมษายน2512พอ27เมษายน2513ข้าพเจ้ามีลูกชายหนึ่งคนคือวารัตหรือโก ข้าพเจ้าจำเป็นต้องไปอินเดียประมาณสิงหาคม2513จึงจำเป็นต้องให้แม่บ้านและลูกไปอยู่กับพี่ชายของเขาชั่วคราวที่ถนนพิบูลสงครามตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีคือที่บ้านพี่จำนงนุ่มบุญนําซึ่งเป็นพี่คนโตของแม่บ้านได้ย้ายมาปลูกบ้านใหม่ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการช่วยปลูกด้วย พี่จำนงบอกว่าถ้าย้ายออกเมื่อไรก็จะคืนเงินให้และก็ได้ทำตามนั้นเมื่อข้าพเจ้าและแม่บ้านได้ย้ายออกไปจากที่นั่นจำไม่ได้ว่าได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านพี่จำนงคืนอาคารสงเคราะห์เข้าไปในเดือนใดคงประมาณสักสองเดือนก่อนที่ข้าพเจ้าจะเดินทางไปอินเดียที่บ้านนี้อยู่กันหลายคนพอช่วยกันเลี้ยงเด็กได้ และมีพี่น้องของแม่บ้านปลูกบ้านอยู่ใกล้กันอีกสองหลังนับว่าอบอุ่นสำหรับแม่บ้านและลูกชายพอสมควรมหาวิทยาลัยพาราณสีข้าพระเจ้าและคณะมีอาจารย์เที่ยงนันโทและคุณประสิทธิ์ประถมของเป็นต้นกับพระอีกหลายรูปออกเดินทางในวันที่ 12, สิบสองสิงหาคม2513 โดยเครื่องบินของการบินไทยหรือไทยอินเตอร์ไปลงที่กัลกัตตาฮักอยู่ที่กัลกัตตาชั่วระยะหนึ่งแล้วนั่งรถไฟไปมหาวิทยาลัยพาณิีหรือที่เรียกเป็นทางการว่าบันาลัสจินดูยูนิเวอร์ซิตี้หรือใช้อักษรย่อว่า BHU เรื่องไปเรียนที่อินเดียนีข้าพเจ้าได้เขียนไว้ค่อนข้างละเอียดแล้ว ในหนังสือชื่ออันความกรุณาปลานีหนา368หน้าซึ่งในหนังสือนั้นต้องขอเรียนท่านทั้งหลายไว้ในที่นี้ว่าข้าพเจ้าเขียนเป็นคำนองสารคดีอิงนิยายหรือจะเรียกว่านิยายอิงสารคดีก็คงจะได้เพราะฉะนั้นจึงมีเรื่องที่จริงบ้างเรื่องที่สร้างขึ้นมาบ้างไม่ใช่จริงทั้งหมดและไม่ใช่สร้างขึ้นมาทั้งหมด ถ้าท่านทั้งหลายเข้าใจตามนี้ขขาพเจ้าก็สบายใจที่จะแนะนำให้ท่านอ่านมหาวิทยาลัยพาราณสีนั้นสะอาดและสวยงามมากต้นไม้ร่มครึ้มไปหมดกว้างขวางใหญ่โตขขาพเจ้าได้พักที่หอพักนักศึกษานานาชาติห้องที่สาสเจ็ดเลขเจ็ดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับขขาพเจ้าเป็นอันมากเช่น เกิดพุทธศักราช 2,477 เรียนบาลีได้ป ร, ริญญาเจ็บวชพระพุทธศักราช 2,497 ลาสิกขาปี 2,507 เรียนมหาวิทยาลัยสูงอยู่เจ็ปีเป็นต้นสองปีที่มหาวิทยาลัยพาราณสีและที่อินเดียได้ให้ความรู้และประสบการณ์แก่ข้าพเจ้าเป็นอันมากไม่เสียทีที่ตัดสินใจไป แม้ตอนแร ก, แรกจะขรุขักเดือดร้อนอยู่บ้างแต่ก็ลงตัวได้ในที่สุดรองศาสตราจารย์สุวรรณเพชรนินได้เขียนจดหมายไปให้กำลังใจกับข้าพเจ้าว่าเมื่อเรียนจบแล้วข้าพเจ้าจะนำวิชาวความรู้มาใช้ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาและในประเทศไทยได้มากที่สุดเนื่องจากตอนที่เดินทางไปนั้นข้าพเจ้ามีเงินติดตัวไปเพียงเล็กน้อย เงินที่เสียค่าเครื่องบินก็ดูว่าจะยืมมหาวิทยาลัยส่งไปจำไม่ได้ว่าจำนวนเท่าไรแต่คงจะไม่ถึงหมื่นคิดว่ากลับมาแล้วจะผ่อนส่งให้ข้าพเจ้าไปเรียนด้วยทุนของตนเองแต่ก็ไม่มีทุนจึงจำเป็นต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยงานของข้าพเจ้าก็คือเขียนหนังสือส่งมาพิมพ์ในประเทศไทย ได้เงินแล้วทางบ้านก็จะเอาไว้ใช้บ้างส่งไปให้ข้าพเจ้าบ้างเวลานั้นพิมพ์อยู่สานักพิมพ์เดียวคือสานักพิมพ์บรรณาคารส่งต้นฉบับมาเท่าไรเรื่องอะไรเขารับพิมพ์หมดขอขอบคุณสำนักพิมพ์บรรณาคารไว้หน้าที่นี้ด้วยข้าพเจ้าเขียนหนังสือได้ประมาณเจ็ดหรือแปดเล่มแต่ละเล่มประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยหน้าโดยเฉลีย่ย บางเล่มก็เกือบหกร้อยหน้าเช่นทางแห่งความดีเล่มหนึ่งเป็นงานหนักมิใช่น้อยเพียงตะเรียนอย่างเดียวก็หนักมากอยู่แล้วเพราะตำราเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอาจารย์สอนเป็นภาษาอังกฤษฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างต้องจำหัวข้อว่าท่านพูดเรื่องอะไรแล้วมาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือตำราพร้อมทั้งทาโนทย่อไว้ด้วย ข้าพเจ้ารู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากเพราะทั้งสองอย่างเป็นงานหนักทั้งนั้นเวลานั้นข้าพเจ้าอายุ35สบห้าแล้วสุขภาพก็ไม่ได้แข็งแรงบางวันตอนเช้าเ้าได้ออกไปวิ่งบ้างตอนเย็นตีแบดมินตันบ้างแต่ก็ทำได้เล็กๆน้อยๆนักเรียนไทยในพาราณสีมีมากพอสมควรทั้งพระคาวาดและผู้หญิงด้วย ที่ไปเรียนปริญญาตรีก็มีปริญญาโทก็มีที่ทำปริญญาเอกอยู่ก็มีเท่าที่จำได้เมื่อเข้าเจ้าไปนั้นสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ประจวบกันตาจาโรขณะนั้นเป็นพระกิตติสารมุนีทำปริญญาเอกอยู่จากมหาจุฬาก็มีคือท่านมหาสังวรพรหมเสนทำปริญญาเอกอยู่ จบปริญญาเอกแล้วลาศิขาไปเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ข้าพเจ้าทั้งเรียนและทั้งเขียนหนังสือเพื่อหาทุนในการศึกษาค่าหอพักและค่าอาหารจนนิ้ววางนิ้วคือ น, นิ้วกลางมือขวาเป็นตุ่มแข็งขึ้นมาและเจ็บเล็กน้อยจึงต้องใช้ปลาสเตอร์พันไวตลอดเวลาสองปีกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ยังไม่หาย แต่ตอนนี้คือพุทธศักราช 2,549 ได้หายแล้วหนังสือที่เขียนในระยะนั้นเช่นทางแห่งความดีบางเล่มสาระสำคัญแห่งมงคล38สองเล่มอันความกรุณาปรานีธรรมและชีวิตเป็นต้นเพื่อนผู้หวังดีบางคนได้เตือนข้าพเจ้าว่ามัวมานั่งเขียนหนังสืออยู่เดี๋ยวสอบตกไม่ได้กลับเมืองไทย ข้าพเจ้ารับคำเตือนเพียงแต่ยิ้มให้เขาแต่ในใจคนนึกว่าเขาไม่รู้ถึงความจำเป็นของเราถึงอย่างไรก็ขอบคุณที่หวังดีสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เขียนหนังสือก็คือชอบที่จะเขียนได้ความรู้อะไรแล้วก็อยากจะเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นได้รู้ด้วยขอสรับภาพไว้ในที่นี้ว่าไฟคือความอยากรู้และการเผื่อแผ่ความรู้ รุกโพรงอยู่เสมอในจิตใจของข้าพเจ้าไม่เคยมอดดับไปเลยแม้จนกระทั่งบตดนี้คือปี 2,549 เมื่อข้าพเจ้าอายุถึง72แล้ว